แค่แข่งรอบแรกก็ตกรอบไปซะแล้วทีมเล็กๆนี่ยังสามารถที่จะผ่านเข้าไปได้ในรอบลึกๆนะแล้วก็แพ้อย่างเรียกว่าอาหน้าอับอายก็ได้นะเพราะว่าโดนแค่นัดแรกก็โดนยิงไปห้าประตูต่อหนึ่งนะไม่เหลือเข้าของความเป็นแชมป์โลกเลยนะบราซิลก็เหมือนกันนะบราซิลนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งหนึ่งนะจะได้แชมป คาดหวังว่าจะได้แชมป์ปีนี้เพราะว่าได้เปรียบหลายอย่างทั้งศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าก็ต้องมาเจอกับความพ่ายแพ้ยอย่างยับเยินที่สุดประเภทว่าต้องจำกันไปอีกหลายสิบปีข้างหน้านะโดนยิงไปเจ็ดหนึ่งนะแข่งสองนัดสุดท้ายนี่สิบนสิบแพ้ไปโดนยิงไปสิบประตูยิงได้แค่ประตูเดียวเรียกว่าเป็นความ สำหรับสายตาชาวชาวราเสือก็ถือว่าอัปยศมากในรอบ60ปีนะก็คงจะตราตึงไปเป็นร้อยปีนะถ้าโลกยังไม่แตกซะ ก, ก่อนอันนี้มันก็สะท้อนเห็นหนึ่งความไม่จรังนะความไม่จรังของความสำเร็จนะไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะมันก็เก่งไม่ได้นาน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 บอลองนัทิลานี่ก็เรียกว่าเขาก็พุ่งถึงจุดสูงสุดของชีวิตนะในฐานะที่เป็นโค้ดพาสเปนี่เข้าเป็นแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดลการยกย่องมากแต่ว่ามาคราวนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นจุดต่ําสุดในชีวิตคามเป็นโค้ดของเขาเนะนะเพราะว่าพาพาทีของเขาเนี่ยตกรอบแรก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 นะเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนี่คุณจะต้องถามตัวเองว่าจะลงเมื่อไรแต่คนส่วนใหญ่นะไม่อยากจะถามแบบนี้ว่าจะลงเมื่อไรเพราะยังมีความหวังว่าจะได้รับความสำเร็จไปได้เรื่อยๆพุทบอลโลกคราวที่แล้วได้แชมป์นะนะปีนี้ฉันก็ต้องได้แชมป์อีกซึ่งมันก็ไม่เคยมีนะมีน้อยมากนะ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 ยังปรารถนาความสำเร็จทั้งโลกนะไอการอย่างที่บอกไว้แล้วว่าการที่จะได้รับความสำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะแต่ว่าที่ยากกว่าคือจะรักษาความสำเร็จให้ต่อเนื่องได้อย่างไรเอาคนเราถ้ารู้สัจธรรมชีวิตนะก็เมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ก็ต้องรู้ว่ามันจะอยู่ไม่นานนะ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 เปียนขึ้นไปนี่ยากอยู่แล้วนะแต่ลงมาลอดลอดตายเนี่ยยากกว่าเพราะว่าบางคนก็เพลินนะอยู่กับทิวทัศบนยอดเอเวอเรสต์นะแล้วไม่รอมรีบลงมาพอลงมาก็ปรากฏว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเต้นไม่ถึงค่ายพักนะไม่ถึงแคมป์อ่ะนะก็ตายซะก่อนเพราะว่า พ า, ายุหิมะก็ดีหรือว่าน้ำแข็งมันถล่มลงมาก็ดีฉะนั้นคนที่ปรารถนาความสำเร็จทั้งโลกนี้ก็ต้องเตือนเตือนตัวเองอยู่เสมอนะว่าแม้ขึ้นไปถึงได้แล้วนี่ก็ต้องรู้จักลงมาด้วยจะต้องถามตัวเองเสมอว่าจะลงเมื่อไหร่ไม่ใช่จะถามว่าทำยังไงถึงจะอยู่ไปได้นาน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะนะบทเรียนอย่างผู้บอลโลกนี่มันสอนได้เยอะเลยนะอแต่อเนี่ยปีนี้มันเห็นชัดมากนะว่าความสําเร็จนี่ไม่จรลังเลยมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเอาความสุขไปผูกติดกับความสําเร็จนะก็จะเป็นความสุขที่งอนแง่งมากเพราะว่าวางอยู่บนสิ่งที่มันไม่จรลังที่แปรปวน เอาความสุขไปผูกติดอย่างอื่นดีกว่าผูกติดอยู่กับการปล่อยวางนะตรู้าจักปล่อยวางมากเท่าไหร่นะมันก็จะสุขใจสงบใจได้ง่ายมากเท่านั้นอ่แล้วก็เตรียมรับพร